อบรรดาท่านประโยชน์ค า, าจรทั้งหลายสำหรับคืนวันนี้ก็ยัขอแนะนําท่านในเรื่องการปฏิบัติในด้านกสินความจริงเรื่องของกสินนี้เป็นกรรมฐานธรรมดาแต่ถ้ว่าตามความรู้สึกขคนักปฏิบัติมักจะพากันมีความรู้สึกว่ากสินนี่เป็นกรรมฐานพิเศษ จนทั่งบางท่านถึงก็พูดว่าถ้าปฏิบัติกสินดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายซะกนได้หรือ ว, ว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หาย <c oughs> และถือว่ากสินเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกั น, กนเคยได้ินบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติกสินเหรือความจริงเรื่องกระสินไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพระกรรมฐานธรรมดา ก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนันหลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเอง <c oughs> แต่ได้ว่าใช้การเล่าลือข้างคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทามา <c oughs> เห็นว่ากระสินนี่เป็นกรรมฐานพิเศษจะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกระสินคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไปเสียทั้งหมด <c oughs> หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอื่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลา <c oughs> ยย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือกันเม่กรสินหรือว่ากรรมฐานอีกสามสิบอย่างก็คือายที่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้น มีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกระถินที่กสินที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไ <c oughs> ม่มีรูปสำหรับดูสังเกตได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายว่าว่าสมาธิในกระสินนี้จะทรงตัวอยู่หรือว่าไม่ทรงตัวอยู่ ในเมื่อกระสินเป็นกรรมฐ า, านหยาบฉะนั้นกระสินทั้งหมดเมื่อทำไปแล้วทุกกองก็สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้ทั้งหมดเหมือนกันเมื่อสามารถทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้ี่ก็สามารถเข้าฌานในกระสินทุกกองต้าเดินหนึ่งทิ 4, ้งสี่ตามลาดับฌานตามลาดับกสิน เนื้อเข้าชานสลับชานสลับกบสินเมื่อทําอย่างนี้ได้คล่องอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถยานิฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญกสินก็เพื่อต้องการสมาธิจิตตนเองฉะนั้นการเจริญกสินยังไม่ไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับนักปฏิบัติเพื่อกมาฐาน ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะสงสัยว่าก็สินทาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้สามารถจะทำมิปเสนายานให้เป็นกระกา ร, รฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากถ้าดีพ่ออย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้า น, านิ่ชาญสีแล้วก็เจริญมิปเสนายานต่อท้ายอีกนิดหน่อย <c oughs> ก็สามารถจะเป็นอรหัตผลได้ ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์เสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอักษาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสารีบทมีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายคนในช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ ท่านพระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยแซพหนักในสังคมก็คงยังมีอารมณ์หนักมาในด้านกามอ a รกด้าน k า r m a ม, มจึงให้อสุภกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับพระสารีบุตรเช่นระยะเวลาสามเดือนเจรณสุภกรรมฐานไม่มีผล อ้อภาษาแล้วภาษารีบทคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยห้องตนที่จะพึงฝึกสอนได้จึงได้นาไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตร์ราบทูลให้ทรงทราบว่าให้พระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมาสามเดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตร ขึ้นชื่อว่าคุณบุตรผู้มีศรัทธาที่มาหาตถาคตตถาจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสารีบตจยงกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรได้พิจารณาชริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส <c oughs> สมเด็จพระบรมโลกเชเกฆะทรงทราบ ว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตยังได้ทรงให้กสินสีแดงที่เรียกกันว่าอโลหิตกสินเพราะว่ากสินสีแดงนี้เป็นกสินเป็นเครื่องต่อต้านเป็นสตูกับโทสะก็จะขอบูุดเช่นตอนนี้เลยทีเดียว สำหรับกระสินนี่มีสิบอย่างกระสินสีอย่างก็คือกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวและกระสินสีขาวสามกระสินนี้เป็นกระสินสำหรับต่อต้านกัลโทสะเป็นค่าสิกโทสะถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายกัลโทสะฉุนเฉียวก็จงเจริญกระสินสีอย่างนี้สำหรับกระสินอีกหอย่างเป็นกรรมฐานกลาง คนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจิตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนก็้ขออนุโาท่านอันหลายพยายามรับทราบไปด้วยเพื่อการเจริญกรรมฐ า, านนี่มีความสำคัญ <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุมไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระลูกชายในทั้งทอง เดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผลในครู่เดียวเป็นอรหัตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงนิรมิตดอกบัวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและก็ทรงให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คําว่าเธอไปคําหนึ่งต้องขอประทานอภัยท่านด้วย เพราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระรหันข้านิพพานไปแล้วใช้คำว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาตแต่ก็ศัยที่ไม่มีเจตนานก็คิดว่าพระอริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ <c oughs> <c oughs> ในขณะที่พระพุทธเจ้าสมอบดอกบัวทองคำสีแดงให้แกท่านแล้วก็แนะนำว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบนกองทาย ทำทายให้มุนขึ้นมาแล้วก้านดอกโบนี่ปักตรงไปจังลืมตามองดูภาพสีแดงให้จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจนลืมตามาดูใหม่จําได้แล้วจนหลับตานึกถึงภาพสีแดง พระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังและก็จํานิทานเรื่องนี้หรือว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเปน็นนิทานมาแนะนําท่านในฐานะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคําสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็กราบถวายธรรมแสดงการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักตรงไปลืมดาตาดูกานบัวจําสีแดงภาพของดอกบัวได้เมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่ไม่จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจําไว้นะ ท่านนั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จําไว้ว่าภาพกระสินเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราส่งไว้บาเวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจํำจเฉพาะสีนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเรกนกำมาฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาแล้วคิดว่าเป็นกสินอันนี้ไม่ใช่ ถ้าเราจำภาพสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรากฏขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กับสิงกองอื่นก็เหมือนกันจำไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาหาลีลาเลียงไปทุกกองทำให้ชาบ้านชาเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อคเศไปฟังมากๆ ม, ม, มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นการทำลายศรัทธาและทำลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครู่เดียวก็ปรากฏว่าเกิดอกหานนิมิตตอนอกหันิมิตที่เกิดขึ้นนี้ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอด ตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ <c oughs> ต่อมาเมาื่ออุกอาจนี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิ ต, ตที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลาง เมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให้ขึ้นให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นเป็นนิมิติปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่อารมณ์นึกจําของเดิมแล้วแต่ว่าต่ออาศัยอารมณ์นึกจําของเดิมมาก่อนเป็นสําคัญ ต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจน ก, กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยจนเป็นประกายพลิกตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี เมื่อปรากฏว่ากสินดวงนั้นเป็นกระชานสีแล้วจิตก็ทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกระสินแบบสบา ย, บายใจมีความสุขนึกให้กระสินใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างเต็มบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายฝาบ้างอยู่ขวาบ้างเป็นอันว่ามีความเพลิดเพลินจิตส่งตัว ตอนนี้เป็นฌาน 4, 7, สี่เจ็ดทรงตัวดีก็สิงก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมารพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌานสี่ได้แล้วถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหม องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็จะเป็นพระโยคาวายจรที่ทรงฌานโล ก, กีอยู่ตามนั้นเอเจนั้นองค์สมเด็จ พ, พระเพกวันได้ทรงในในมิตรดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดสว่างสวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้ง เมื่อพระรูชายในช่างทองเล่นกระสินเพลินก็นึกถึงภาพดอกโบวขึ้นมาได้ก็ลืมตา ม, มาดูเห็นดอกโบวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกโบวที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจว่าดอกโบว์ดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้ เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนิมิตรสินตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสินเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกําลังทรงตัว <c oughs> มาเล่นอยู่กับภาพกสินเพลินพอสมควรก็ลืมตามาดูดอกปัวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรทรงระมิทให้กลีบหลน่น สอนหล่นฝักหล่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิทึ้งชาญสีปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจรารณาโอหนอดอกโบนี่เดิมเป็นดอกโบทองคำมีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงช่วระยะเวลาประเดียวเดียว ก็มีการร่วงโรยลงไปในที่สุดก็หักตรงไปอย่างนี้ <c oughs> เป็นนั้นว่าทองคําที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็ ง, แ ข, งแข็งแรงกว่าเนื้อหนังมังสาของเราอย่างมากแต่ได้ว่าสามารถจะร่วงโรยและทำลายตัวเองลงไปได้นระยะไม่ช้าตอนนี้อย่าลืมว่าปัญญาเกิดในอย่างมากเพราะจิตตั้งอยู่ในฌานฌานที่สี่ ท่านจึงมาเจ้าพิจารณาว่าร่างกายของเหล่านี้ก็คงจะไม่ต่างกับดอกบัวเพราะปรากฏว่าวิดามารดาของเราเดิมทีเดียวท่านก็คงจะหนุ่มเหมือนเราแล้วก็มีความผ่องใสเหมือนกับดอกบัวเวลานี้ท่านเป็นคนแก่ตลงไปเสียแล้วได้ไปถึงปู่ย่าตายายท่านก็แก่มากลงไป ในที่สุดคนนี้เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญายิของเรามีเท่าไหร่ทําตามที่จําได้ผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟัง <c oughs> ท่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพเมือบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ตายทาั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความโมัเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้ เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่ <c oughs> <c oughs> เมื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลาบากความเหน็ดความเหนื่อยความปรารถนาไม่สมหวังที่ทําให้จิตใจของเราเร่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกยัดว่าเป็นทุกข์หนัก <c oughs> เราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไป ในขนาดเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนายังได้ทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีหอบริการเหมือนกับองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงนั่งปะทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าพิกเกเว ด, ดูก่อนพิโสอย่างนั้นถูกแล้วขึ้นชื่อว่าตภาพร่างกายของเหล่านี้มีความเกิดขึ้นเนบื้องตน้น มีความเสื่อมโทรมไปทุกวันและในที่สุดมันก็จะสลายตัวเหมือนกับที่เธอคิดก็เช่นเดียวกับดอกโบนี่แหละดอกโบนี่เดิมมีสภาพผ่องใสต่อมาก็เหี่ยวแห้งไปทีละน้อยๆในที่สุดก็ทำลายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำลายมันมันก็ทำลายตัวของมันเองฉันใด เในร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็พยายามทำลายตัวเองไปทุกขณนะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว่าตายเฉนั้นขอเธอจงอย้ายึดถือกายเป็นสําคัญความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มีความเปลีป่ยนแปลงไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดเพราะเธอจึงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั้นไส้มันไม่มีไม่อยู่ในอำนาจของจิตคือเราไม่สามารถจะมังนคับได้ถ้าอารมณ์ใจของเรายังมีความผูกพันในร่างกายของเราดีว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วผูกพันในร่างกายของคนอื่นคนดี มีความผูกพันในทรัพย์สมบัติต่างหลายในโล ก, กดีก็ชืี้ว่ารู้อารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยตัณหาก็ <c oughs> <c oughs> ะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุนสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสียยิ่งนจงจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมาย ร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อจิตใจของเราไม่ผูกพันในร่างกายของเราคนดีในร่างกายบุคคลอื่นคนดีใหนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนดีก็เชื่อว่าอารมณ์ถึงที่สุดเพืความทุกข์จะถึงกับเธอขึ้นชื่อ่ว่าเธอเป็นผู้จกกิจในพระพุทธศาสนา กิจอื่นใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่าพ้นผู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่องคงสมเด็จพระ毗ชิตามารทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองสมเด็จพระปทีบแก้วก็หายไปพระลูกชายในช่างทองจึงได้จับกระสินใหม่มีอารมใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององสมเด็จพระปทีบแก้ว นดยพิจารณาตัวเองเป็นสําคัญในที่สุดกําลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็แตกความยึดถือร่างกายปีติเดิน้อยเดิน้อยในที่สุดจิตก็เป็นเอ ก, กตารม์หมายความว่ามีความเบื่อนหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ต่อไปชั่วขณะดเดียวจิตของท่านก็เข้าถึงสังขารูปเปข้ายานวางเฉยในความต้องการในร่างกายเซนไดวางเฉยในความต้องการในร่างกายของบุคคลอื่นเฉยในความต้องการใจทรัพย์สินทั้งหลายในโลก แล้วก็เฉยหมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นเทวนาหรือผมไม่มีความต้องการจีของท่านพระลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเ ธ, ธตระหรันจัดว่าเป็นพระิย์บุคคลเบื้องสูงคือเป็นพร ะ, พระอาหารหันนี่แหละบรรดาท่านพโยคาวจรทางไหลการเจริญเพระกรรมาฐานในกรรมาฐานสี่สิบ จะเป็นกรันฐานกองไหนก็ตามถ้ามีความเฉลยียเขาไม่ต้องเจริญมาก <c oughs> <c oughs> เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับวิปัสนา ญ, ญาณญาณนี้ก็ได้สำเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองฉะนั้นเมื่อท่านหลายเจริญกับสิงกองใดกองหนึ่งคนดีที่เป็นที่อัตยาใสายของเราชอบขณะที่จิตยังไม่ถึงจะถูตชายก็ตาม เมื่อคลายจาการณ์สมาธิด้วยการจับจ้องเพ่งภาพกสินแล้วจองพิจารณาในวิปัสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑแก้วทรงสอนแต่ความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างพระดุาชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ <c oughs> จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ <c oughs> คือแบบที่พิจารณานามีเยอะ ผมก็ไม่รู้จะที่เอาตรงไหนเวลาเดือนสองนาทีในแบบของมหาอติปทานาสตรในแบบอนุสติในแบบอสุปกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประธานสี่อะไรก็ได้ตามใจแล้วมาควบคู่กับวิปัสสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพไป่อนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาวะเป็นความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตน เถ้อจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนแล้วของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเราอย่างโอเรือมีความต้องการในความทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังขารูปปค้ายานเป็นสําคัญเพื่อรมตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้ก็ชี้ว่าไม่ชช่นักท่านกรจกกิจกในพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทําไม่มีต่อไปอารัมบันดาท่านพระโยคาไวาจรทงางไลก์การแนะนําเรื่องกระสินในตอนตอน้นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วและก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางในองค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงสอนไม่ผิดแน่ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามส่งกําลังใจให้คงที่ปฏิบัติเพืก่กรรมฐ า, านตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกระสินนี้ได้แบบใดก็ตามที <c oughs> ่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสงฆ์คนที่ท่านมีความประสงค์สําหรับวันนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้ขอความปรารถนาดีของท่านหลายจงสําเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดี